ทวนสาร์ดูค่ะที่ฟังที่ครบคะ่ะได้เวลาที่จะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการสัสนิยมสนทนาที่ดิฉันสัสนญาคพงเป็นผู้ดําเนินรายการสนทนาธรรมกับพระมหาพัยบุญอภิปุโนในช่วงของวันพฤหัส บ, บดีแล้วก็วันศุกร์ทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว f m ฟเอแห่งนี้คะ่ะสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่ดิฉันเองเพิ่งกลับมาจากการไปร่วมกับคณะผู้ปฏิบัติธรรม ที่วัดป่าดอนหายโศปฏิบัติธรรมกันในช่วงของวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติแต่ว่าคอร์สนั้นนี่ก็เต็มอัตรานะคะคือ7วันบวกกับไปกลับอีกสองวันส่วนในฉชันเองเนี่ยไปอยู่แค่6วันเพราะว่าไปเริ่มต้นทีหลังเขาในวันที่10ก็เดี๋ยวคงจะมีอะไรต่อไม่อะไรที่มาเล่าให้เกิดประโยชน์กับท่านผังบ้างไม่มากก็น้อยตอนนี้ใครที่ไม่มีโอกาส ไปร่วมในการเข้าคอร์สแล้วก็ต้องการที่จะได้เรียนรู้ฝึกปฏิบัติไปก็เตรียมตัวนะคะดิช่ฉันกำลังจะพาไปพบกับผู้อำนวยการหลักสูตรการหลีกเล่นที่วัดป่าดอนหายโศกก็คือพระมหาภัยบูรณ์อภิปุนโนค่ะกราบน้องส ก, กานะท่านคะเริญพานเรามาเริ่มการฟังธรรมด้วยการที่ใส่ใจในการปฏิบัติสักนิดหนึ่ง เพราะว่าธรรมะจะเข้าสู่ใจได้ก็เอามาใคร์กรวนพิจารณาตั้งไว้ท่งไว้ในใจเริ่มด้วยการที่เรากําหนดสติซะก่อนตั้งสติให้จิตของเรานั้นมีสติโดยการที่เอาจิตของเรามาอยู่กับลมหายใจเมื่อใดก็ตามที่จิตของเรามาระลึกรู้ดูอยู่ที่ลมหายใจเมื่อนั้นสติก็จะเกิดขึ้นตั้งขึ้นสติที่เกิดขึ้นตั้งขึ้นนี้จะเป็นที่จะรักษาจิตให้ ไม่ไหลไปตามอารมณ์ความรู้สึกสิ่งใดๆที่มากระทบเหมือนกับเวลาที่ยามเขาอยู่หน้าประตูอาจจะเป็นการเฝ้าอยู่ที่ศูนย์การค้าอยู่ที่โรงงานหรือว่าหมู่บ้านหรือว่าคอนโดแห่งใดๆนี่ถ้าประตูไม่มียามเฝ้าความปลอดภัยก็ไม่เกิดแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ประตูมียามเฝ้าอยู่คอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยก็จะเกิดกับสถานที่แห่งนั้ น, น, น เนเดียวกันถ้าจิตของเรามาอยู่กับลมสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสติที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับจิตของเราเวลาที่เราดูลมหายใจนั้นให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับไม่ต้องเกรงการให้ยใจอย่างเป็นธรรมชาตินั้นก็คือมาสังเกตอยู่หน้าที่ตำแหน่งบริเวณที่เป็นทางเข้าทางออกของลมหายใจเรารับรู้สัมบัติของลมได้ที่ไหนเอาจิตของเราตั้งไว้หน้าที่ตรงนั้นไม่ต้องไปกากเกน หรือเฉพาะเจาะจงลงไปว่าต้องเท่านี้มิลลิเมตรจากปลายจมูกเข้ามาต้องเป็นพื้นที่เท่านี้ตารางมิลลิเมตรไม่ถึงขนาดนั้นเอาแค่ว่าเรารับรู้ได้ที่ไหนก็จิ้เราใส่ไว้ที่นั่นถ้ายังไม่สามารถรับรู้ได้อาจจะหายใจแรงสัก2อถึงสครั้งเมื่อหายใจแรงแรงสัก2อถึงสครั้งแล้วก็ให้ใหายใจอย่างเป็นปกติธรรมาดาลมหายใจบางครั้งมันก็จะสั้นบ้างยาวบ้าง อยู่ที่ช่วงจังหวะของแต่ละวันถ้ากินข้าวใหม่ๆมันอาจจะสั้นอาจจะทีถ้าเพิ่งตื่นนอนอาจจะยาวหรืออาจจะห่างกว่าแต่เวลาที่เรามาดูนั้นไม่ได้ไปตามลมให้สั้นหรือให้ยาวไม่ได้เป็นบังคับให้มันเร็วหรือให้มันช้าแต่ให้รู้อยู่นาะที่ตำแหน่งเดียวการรู้อยู่นาะที่ตาแหน่งเดียวนี้จะเป็นตัวที่จะทาให้สติเนี่ยเป็นสมาธิขึ้นมาได้เพราะว่าเมื่อจิตมี สติตั้งขึ้นแล้วมีสิ่งใดไดมากระทบจะไม่ไปเกลือกลัวจะไม่ไปลุ่มหลงในสิ่งที่น่าพอใจจะไม่ไปขยะกขยังในสิ่งที่น่ารังเกียจน่าไม่พอใจจิตที่ไม่เข้าไปเกลือกลัวในสิ่งตั้งที่พอใจและไม่พอใจนี้สามารถที่จะเป็นอารมณ์เดียวได้ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเนี่ยก็เรียกว่าเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุคคลที่มีสัมมาสติแล้ว จะทำสมาสมาธิให้เกิดขึ้นอันนี้เป็นไปได้แต่ระหว่างจากจุดที่เราตั้งสติขึ้นจนถึงจุดที่เรามีอารมณ์เป็นนันเดียวเนี่ยเบื้อดีมันจะใช้เวลาบ้างก็อยู่ที่ว่ากําลังของสติเรามีมากหรือน้อยอยู่ที่ว่าเราฝึกปรือฝึกฝนด้วยความเอื้อเฟื้อยอย่างไรๆอยู่ที่ว่าเราสร้างเหตุปัจจัยของการตั้งสติขึ้นนี้อย่างไรซึ่งแน่นอนเรื่องของการรับประทานอาหารที่รู้ประมาณในการบริโภค เป็นผู้ที่ยินดีในท้องอันร่องอยู่เสมอเป็นผู้ที่เสพเนสนาสนะอันสงัดเป็นผู้ที่ใส่ใจฟังธรรมทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ที่คบเพื่อนดีพวกนี้จะเป็นองค์ประกอบที่จะทําให้สติของเรานั้นมีกําลังสติที่มีกําลังนี้จะสามารถนําพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาธิไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วสมาธิกับปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะทําให้เราสามารถฟังธรรมได้เข้าใจ ฟังทำได้รู้เรื่องได้จเจริญบอลสาธุค่ะท่านฝังที่ครบค่ะและนั่นก็คือวิธีการนะคะที่จะตั้งสติหรือว่าฝึกสมาธิกันได้อย่างไรซึ่งฟังดูเหมือนกับว่าสอนนิดเดียวเองแต่มันอยู่ที่ฝึกใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ใช่เรื่องเรื่องคําสอนเนี่ยหรือว่าเรื่องวิธีการปฏิบัติยังไม่ได้ยากคือตัวบทมีอยู่แล้วสั้นๆง่ายๆเท่านี้หายใจเข้าก็มีสติาหายใจออกก็มีสติ ดำรงสติไว้เฉพาะหน้าเขียนยังไม่พอทันบรรทัดเลยทําแค่นี้เลยอันนี้คือเท่านี้จริงๆค่ะแล้วก็ดิฉันคิดว่าคนที่มีประสบการณ์ก็จะหาความพอดีได้ว่าถ้าเราเครียดไปตั้งใจมากไปที่จะรู้ลงหายใจเนี่ย ม, มันที่หาไม่เจอหรืออาจะเหนื่อยใช่ใช่แต่ว่าถ้าเราลองปล่อยสบายๆนะคะทำให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดเนี่ยดิฉันเชื่อว่า ท่านจะได้พบกับมันเหมือนจะเรียกว่าอะไรดีอะความความความสงบความสงบนะคือคือแต่ว่าสุดตรงสองขั้วถ้าเราบังคับมากเกินไปเนี่ยเราก็จ ะ, ะปวดหัวเราก็จะทําไม่ได้แต่ถ้าเราปล่อยไปตามความคิดนั้นนี่ก็ไม่ใช่ค่ะแต่จะต้องมีธรรมชาติของการควบกลุ่ม ต, ตรงนี้ศาสต์ที่พระพุทธเจ้าใช้ก็คือสติคือการระลึกได้ค่ะมันก็จะค่อยๆมาเป็นจุดที่เรียกว่าระลึกตรงจุดไหนอะจุดที่เรามาเอาใจจดใจจอ่อ ก่รเจา ะ, ะจดใจจ่อนี่คือการเพ่งลงไปแต่แต่ไม่ใช่บังคับนะสับคําว่าเพ่งลงไปโดยไม่บังคับเนี่ยภาษาบาลีเขาใช้คําว่าฌานนี่นคือการที่เอาใจมาจดจ่ออยู่ที่ตรงนี้ค่ะนะคะท่านฝันที่ไปฝึกปฏิบัติกันมาก็จะฝึกทํานอง น, นี้แหละหอืให้รู้ลมหายใจแต่ว่าจะมีประกอบไปด้วยคําสอนที่เป็นคําสอนของพระพุทธองค์ซึ่งท่านพิบูรณ์ก็ได้ถ่ายทอดด้วยการนําอามา อ่านให้พวกเราฟังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในขณะนั้นหลังจากศึกษามาแล้วควรจะรู้อะไรดีใเข้าใจอย่างนี้ถูกนะคะใช่ใช่ค่ะท่านผู้บุญค่ะก็อยากจะกรับเรียนในฐานะเป็นผู้มีประสบการณ์มาถ่ายทอดประสบการณ์ให้ท่านฟังทางบ้านฟังนะคะว่าถ้าไม่เป็นอย่างนีทง้ทั้งทั้งที่เราก็เคยฝึกปฏิบัติมาก่อนแต่พอไปเข้าคอร์สเริ่มต้นวันแร ก, แรกๆนะคะวันแรกเนี่ย อ mm hmm. โอ้โหกว่าจะเข้าสมาธิได้มันจะมีอาการที่เรียกว่า น, นิวรนนี่จริงๆเลยนะคะโดยเฉพาะนิวรนตัวที่เรียกว่าทีนามิตะทีนามิทะททง่วงความง่วงซึ ม, มค่ะง่วงซึมแล้วก็จะมาต่อด้วยฟุ้งซ่านนะคะท่านอ๋อนี่มาแน่นอนค่ะถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นค่ะก็ต้องตอบต่อไปว่าอ่อนซ้อมหรือเปล่าในช่วงที่ออกไปจากวัด เพราะว่าแน่นอนวัดเนี่ยเป็นเป็นสถานที่เรียกว่าสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการควบคุมจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีแล้วก็ไม่มีเพื่อนฝูงเราก็ไม่มีแบบที่ว่าจะมาคุยเล่นกันอ่ามีอะไรก็สิ่งแวดล้อมที่มีความสงบมีคําสั่งของพระพระทุทธเจ้ามีที่ให้อยู่หลีกเล่นรักษาศีลแปลดได้อาหารหเรียบยบง่ายๆอันนี้คือสิ่งแวดล้อมที่มีการควบคุมนะทีะนี้การปฏิบัติเนี่ยโอเคเรามาครั้งก่อนๆเราทําได้แต่พอออกจากวัดไปแล้วเนี่ย อันนี้มันควบคุมไม่ได้ลผะผพัดนะต่างๆอะไรเยอะแยะทีนี้เราถ้าอ่อนซ้อมถ้าอ่อนซ้อมกำลังสมาธิกำลังจิตของเราก็จะอ่อนลงตามไปตามกระแสของโลกที่มันมาใช่ค่ะคือเหมือนกับว่าอยู่โลกภายนอกที่ถ้าเราไม่ได้มีวินัยในการฝึกปฏิบัติแล้วก็สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยความวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาแลวเราก็เปิดเปิดอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรา รับพวกผัดสัต์เหล่านั้นอย่างไม่ระวังธรรมชาติจะพาะเข้ามาไม่ได้ตั้งสติเอาไว้ค่ ะ, ะมันจะแตกได้เมื่อไปเริ่มต้นวันแรกๆวันแรกเนี่ยโอ้กุ้มใจเลยเหมือนกันนะคะเหมืนอนความรู้สึกเอเราควรกลับบ้านเลยไ้มเนี่ย <laughs> <laughs> เพราะว่ายิ่งตอนที่บอกให้เป็นช่วงของการอธิษฐานให้ไม่เปลี่ยนอธิยาบทอย่า บ, บานไม่ลืมตา อย่างน้อย่ี้เนี่ยหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวฉันไม่เคยทำได้ครบชั่วโมงเลยช่วงแรกแล้วก็มีความรู้สึกอาย uh huh. <laughs> แต่เมื่อเราเหมือนกับได้ไ ด, ได้จับสภาพเดิมที่เราคุ้นเคยได้แล้ว uh huh. นะครับก็ค่อยๆดีขึ้นอืมน uh ี huh. ่มันจะเป็นอย่างนั้นลหละค่ะ uh huh. แล้วทำให้แต่ที่ฉันว่าดีใ น, งนแง่อะไรรู้ไหมคะ ทำให้ดีในแง่ที่ว่าเราเห็นนิวรณ์ชัดขึ้นอ๋อ น, นิวรณ์ที่ว่าเป็นนิวรณ์เป็นเครื่องกลางกั น, น, กนเป็นกลางกันเป็นมีจริงๆแล้วก็มีแบบนี้แหละก็เลยอยากจะทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งว่าเครื่องกลางกั้นนอกจากง่วงเรียก ว, ว่าทีนามิตาทีนามิต า, า, าง่วงซึมรวมถึงขี้เกียจขี้คร้านเบื่อนายเบื่อเซีงอันนี้รวมกันอยู่ในเทือกนี้ค่ะง่วงซึมขี้เกียจขี้คร้าน เบื่อเซ็งไม่อยากทําอะไรเงี้ยอันนี้คือลักษณะของทีนามิทะอีกอันหนึ่งที่คุณยมติวพูดเมื่อสักครู่ก็คือความฟุ้งซ่านนาคัญใจค่ะคิดนั่นคิดนี่จริงๆต้องดูด้วยนะว่าไอ้ความคิดที่คิดนั่นคิดนี่เนี่ยมันเป็นความคิดที่อาจจะเป็นสมาธิก็ได้คือสมาธิที่มีความคิดก็มีสมาธิที่ไม่มีความคิดก็มีซึ่งถ้าบอกว่าเราจะเหมารวมว่าความคิดทั้งหมดเนี่ยเป็นความฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบางทีเราไขครวนผมคนเล็บฟันหนังเนี่ยเองก็ดูอันนี้ก็คิดนะ ค่ะ เ, ออเราอาจจะคิดเนื่องอดีตแต่ว่าเห็นธรรมะในสิ่งนั้นว่ามันเป็นอนัตตาเรื่องที่ผ่านมาแล้วเราปล่อยวางได้อันนี้ก็คิดน ะ, ะแต่เป็นความคิดลักษณะที่มีธรรมะอยู่ในนั้นค่ะแต่ถ้าเป็นความฟุงงซ่านเนี่ยมันจะไปคิดเรื่องการปรยาบาตเบียดเบียนไปคิดเรื่องที่ทําให้เราจิตใจมันแตกไปฟุ้งซ่างไปคือธรรมชาติมันคนละแบบอยู่ละถ้าเป็นการพิจารณาเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติให้เกิดการปล่อยวางแต่ได้ค่ะ เป็นความฟุง้งซ่านจะเป็นธรรมชาติให้เกิดความเร่าร้อนการเผาร้นความยึดถืออันถัดมาก็จะเป็นเรื่องของความพยาบาทแต่ความที่แบบว่าคิดอาฆาตคิดปองร้ายถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการมัชชันทะความพอใจรักใคร่ในกามและอันที่ห้านี่คือความเคลือบแคลงเห็นแย้งความระแวงความเคลือบแกลงมีห้าอย่างด้วยกัน ในตอนต้นๆเนี่ยดิฉันคิดว่าชัดเจนเรื่องของความฟุ้งซ่านในทางที่ไม่ใช่เป็นการใคร่ครทวญทำซึ่งอันนั้นไม่ถือว่เป็นการฟุ้งซ่านแต่ในส่วนของการเห็นแย้งเนี่ยจะเกิดขึ้นในโอกาสถั ด, ถดมาใช่อก็ต้องเรียนท่านผู้ฟังนะคะว่าบรรยากาศของการไปฝึกปฏิบัติซึ่งก็แล้วแต่คนชอบเหมือนกันนะครับเพราะว่าอย่างกับดิฉันเนี่ยชอบที่ว่าไปถึงปุ๊บมันมีวินัยให้เราเคร่งครัด อย่างที่วัปดปารณัยโศกทำเนี่ยนะคะออื mm hmm. ไม่ให้อ่าสื่อสารกับใครแม้แต่กระทั่งด้วยสายตากริยาท่าทางนอกเหนือนจากงดพูดใช่ไหมคะใช่ออันเนี้ยดิฉันว่ดีที่สุดเลยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าการหลีกเลนใช่กระทั่งก็คือเหมือนก็เรามาจากอ่าโลกที่วุ่นวายตลอดทั้งปีและ mm hmm. พอไปอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยเหมือนกับไปท่องเที่ยวในที่ที่แปลก ที่ที่ไม่มีโอกาสได้พบเจอที่อื่นคือได้สงบจริงๆอืมซึ่งซึ่งการหลีกเล่นเนี่ยพระพุทธเจ้าชักชวนให้ทําอยู่เรื่อยๆเลยนะค่ะใ ห, ให้เป็นผู้ที่มีความเด็กเล่นเป็นที่มายินดีและบางทีความสงัดเงียบมันก็ยินดีได้ยากเราต้องมาอยู่ดูแล้วก็สามสี่วันไปเออมันค่อยดีขึ้นดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คนเยอะด้วยนะคะที่เราจะรู้สึกสงบในแปลกมากคนก็เยอะเยอะเป็นร้อย แต่ทําไมเรารู้สึกสงบได้<ช>นั่นเป็นเพราะมีวินัยอันนี้กำกับใช่ใช่ค่ะท่านคะทีนี้ในเรื่องที่ท่านได้พูดว่าอ่าความฟุ้งซ่านบางทีเราเข้าใจว่ามีความคิดแล้วเป็นความฟุ้งซ่านแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เป็นการไครครวรทํ า, าเนี่ยอันนี้เนี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่ที่ทานเกิดข้อสงสั ย, ยขึ้นมาว่าบางทีบางช่วงเนี่ยการนั่งสมาธิก็จะรู้สึกสงบสงบเลยคะ่ะเหมือนกับว่าไม่มีความคิดอะ่ะ เขสงบ ม, งมากๆเขาตกใจเขาเอ๊ะจะไปยังไงต่ออใช่ไหมคะจะจะเอาใคร่ควรวญทําตรงไหนดีอือย่างนี้คะ่ะมีมีงงๆอันนี้ยจะตอบอยังไงถ้าเกิดมีคนงงแบบดิฉันคะถ้ า, ถ, าถ้าเราจะพูดถึงว่าการใคร่ควรวญทํากันการ ใ, ใคร่ควรวญเนี่ยจุดประสงค์ของการใคร่ควรวนเพื่อให้เห็นตามจริงเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ว่าคุณใคร่ควรวนเรื่องอะไรให้เห็นตามจริงแบบไหนก็ต้องใค ร, คร่ครวญในอะไรก็ได้ตามหูฉมูลิ้วกายใจที่เราไปรับรู้รูป เวทนาสัญญาสังการวิญญาณพวกนี้เราไปรับรู้พวกนี้หมดเลยนะเสร็จแล้วเราใคร่กรัวเนี่ยเพื่อให้เกิดเห็นตามที่เป็นจริงว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มีเหตุมายังไงมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงน่ยมันดับไปได้มันเป็นอนัตตาอันนี้คือลักษณะที่เราจะต้องใคร่กลัวทีนี้ไอการใคร่กรัวเนี่ ย, ย, ยมันจะเป็นลักษณะของความคิดแบบที่เป็นคําพูดหรือเป็นรูปภาพหรือเป็นลักษณะการใคร่คลัวนชนิดที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง เอาความคิดมนุษย์เนี่ยนะคุณยมติ๋วนะบางที่เราคิดเป็นคําพูดอย่างเช่นคุณจะตอบลายอย่างเงี้ยคุณต้อคิดเป็นคำพูดก่อนอันนี้ฉันจะเรียนเป็นคําพูดอย่างเี้แล้วฉัก็พิมพ์ลงไปอันนี้คือความคิดอยู่ในหัวเราถูกไหมไม่ได้พูดออกมาจากปากนะยังไม่ได้พิมพ์ลงไปอันนี้เป็นความคิดที่เป็นคําพูดโอเคทีนี้บางทีเราอ่านเรื่องใ น, นวรรณยุยตย์อย่างเงี้ยเราอ่านเรื่องในวนิยายต์เขาพูดถึงฉากต่างๆเราก็คิดอิมเมจชินไปในสมองเราอันนี้เป็นความคิดที่เป็นรูปภาพถูกไหม แล้วมัน <Okay. S 1> ก็จะมีอย่างคอนเซปต์ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ย เ, เรื่องอนัตตาอย่างเงี้ย เ, เราไม่ได้คิดเป็นรูปภาพนะไม่ได้คิดเป็นคําพูดด้วยแต่มันเป็นลักษณะการแบบเป็นเป็นความคิดอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ทั้งสองอย่างนี้ค่ะท <Okay. S 1> ีนี้ไอ้องประกอบที่จะเป็นความดําริความคิดที่ทําให้เราพูดว่าใคร่ครวญเนี่ยคำว่าใคร่ครวญเนี่ยหรือโยนิโสมณสิกาเนี่ยคือความคิดในรูปแบบเหล่านี้แหละจะเป็นทั้งภาพก็ได้เสียงก็ได้หรืออะไรก็ได้ที่มันมาทีนี้ถ้าผมว่า ความหยาบเราดูที่ความหยาบกับความละเอียดซะก่อนแต่ถ้าบอกว่าความคิดที่เป็นรูปภาพหรือเป็นเสียงเนี่ยมันก็จะหยาบกว่าความคิดที่ไม่ใช่เป็นภาพไม่ใช่เป็นเสียงเพราะฉะนั้นในบางทีสมาธิเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงใช้คําว่าวิตกวิจารนิคือสมาธิในระดับที่1ยังมีวิตกวิจารณ์อยู่พอสมาธิขึ้นไปในระดับที่2สูงขึ้นวิตกวิจารณ์นี้ไม่มีละ ไม่มีละเหลือแต่ความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวแล้ว <c oughs> สูงขึ้นไปอีกก็อุเบกขาสูงขึ้นไปอีกก็ความอุเบกขาที่ไม่มีสุขเหลืออยู่ <c oughs> แต่ทีนีเ้เอาระดับที่ว่าเราคุณโยมตีกรำพูดถึงว่าเฮ้ยถ้าเราไม่มีความคิดเลยเ น, น, นิ่งเงียบไปเลยอย่างเงี้ย <c oughs> ความนิ่งเงียบไปเลยอย่างนี้ถือว่าเป็นการใครครวนทําไม้มีสิ่งที่เรามางทีเรียกว่าวิปัสนาหรือเปล่าอาจารย์ <c oughs> ตาเราพูดถึงว่าใครครวนทํา คือคือในจิตของคนเราเนี่ยนะพระพุทธเจ้าได้พูดถึงว่าจะเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้จิตพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมเนี่ยคุณจะต้องมีสมถะและวิปัสนาสมถะวิปัสนาเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่ทาให้เกิดวิชาขึ้นที <C hr us> นี้ลักษณะของการที่จะทําให้เกิดการวิปัสนาลหลายๆคนก็จะมีความคิดว่าเฮ้ยมันต้องคิดหน้ามันต้องใกล้ครัว น, นะถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสนาใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าสมถะกับวิปัสนามันสมดุลกันแล้วเนี่ยนะเวลามีอะไรมากระทบผลที่จะเกิดขึ้น มันจะปล่อยวางได้ทันทีมันจะวุบเลยวางได้เพราะอะไรเพราะว่ามันจะไม่เกิดวิชาคือความรู้ว่าเราไม่ต้องไปปรุงแต่งตามสิ่งนั้นโอเคนะจิตที่สามารถมีอะไรมากระทบปุ๊บเสียงมากระทบฉันวางเลยความคิดมากระทบฉันวางเลยฉันไม่ได้สนใจอะไรพวกนี้อันนี้คือการที่สมถากับวิปัสสนาเนี่ยมันสมดุลกันแล้วในจิตของเราสบายใจละซึ่งซึ่งความสมดุลตรงนี้อาจจะไม่ได้เกิดจากการที่เราพิจารณามาก่อนคือมันมัน เป็นฟอร์มของมันอย่างนี้เลยโดยไม่ต้องมีการพิจารณามารุมเลยเพราะมันมีวิปัสนาอยู่แล้วมีความเข้าใจนี้อย่างถรกต้องแล้วเป็ น, น, นความเข้าใจจากจากการปฏิบัติไปเรื่อยๆใ่ใมันจะเข้าใจเองว่าเ อ, อเมื่อเกิดอะไรขึ้นมาให้ทิ้งโดยอัตโนมัติมันจะปทิอยวางโดยปล่อยวางอัตโนมัติใช่ใช่ใ<ช>จะปล่อยวางอัตโนมัติค่ะทีนี้ก็เหมือนกับว่าการละนันทีอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าคะอซึ่งการละนันที่เนี่ยคำว่านันที่หมายถึงความเพลินก็มนก็เป็นยึดถือ <c oughs> ถ้ามันจะเป็นธรรมะก็จะไปเทือกเทือเดียวกันกับพวกตัณหาอวิชชาที่เป็นเหตุเกิดทุกข์ใช่ไหมทีนี้ <c oughs> เจ้าเจ้นานันทีเนี่ยถ้าเราบอกเราจะล่านันทิคุณจะล่าไงล่านันที <c oughs> คือมันจะไม่เหมือนกับว่าเราไปดึงอีกข้างหนึ่งคือถ้าความยึดติดมันจะเป็นเหมือนกับกาวเหนียวที่จะดึงเร า, เาไว้ใช่ไหมถ้าเราจะไปดึงสวนมาเนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันจะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับเหมือนกับลิงที่เขาติดตังเหนียวเนี่ยนะเขาเอามือไปอยู่ที่กับดักของนายพรานเนี่ย แล้วก็มือก็ติดใช่ไหมทีนี้เขาจะดึงมือออกมามันไม่ออกเนี่ยเขาก็เอามืออีกมือหนึ่งไปช่วยเขาเอมืออีกมือนึงไปช่วยมือที่สองข้างมือทั้งสองก็ติดด้วยก็จะเอาขาไปช่วยอีกขามีกําลังมากกว่าขาก็ติดด้วยแตนะ่ซึ่งไม่ใช่ลักษณะการดึงออกมาอย่างนั้นแต่การที่เราจะเป็นละตันหาได้เนี่ย ถ, ถ้าเราถ้าเราเปรียบเทียบลักษณะการทำงานของมนนันก็คือมันจะเหมือนกาวเหมือนยางเหนียวเวลาที่เรา มือเราติดกาวเนี่ยเราต้องมาแซะแซใช้ของคมคมเนี่ยแซะระหว่างที่มือเราติดกับตัวที่กาวนะีซึ่งของ <Okay. S 1> ที่คมคมวัสดุอุปกรณ์ตรงนี้เช่นมีดบ้างหรือว่าน้ํายาอะไรบ้างที่มันจะมาล้างตัวนี้ใช่ไหมซึ่งตรงนี้คือไม่ใช่ว่าดึงสวนกัน <Okay. S 1> แต่ตรงนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่าปัญญาปัญญาเนี่ยพระพุทธเาปรียบเทียว่าความคมนะีซึ่งมันอยู่ในไหนในองค์แห่งมรคนีนนนะ่คุณต้องเจริญมรแตกเดีคุณถึงจะลั่นนันทีได้แต <Okay. S 1> นะ่ไม่ใช่ว่าเราจะลั่นนันทีอยู่ก็าลั่ได้เลย แต่จะต้องเจริญมักแปดเนี่ยเป็นปฏิปทาเป็นคเครื่องมือที่จะทำให้เกิดการละตันหาได้ค่ะคำว่าความเพลินในที่นี้คือเพลินในผัสสะที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไปไ ป, ไปกระทบะไปรับรู้ะนะคะแล้วก็เกิดความพอใจถูกไหมคะต้องต้องมีความพอใจด้วยคือมันมาด้วยกันเลยอ๋อค่ะความเพลินนั้นคือความพอใจความเพลินนั้น ค, คือตันหาความเพลินนั้นคือความกาหนัดค่ะ ทีนี้กลับมาพูดถึงเรื่องของการปฏิบัตินะคะที่ทนอยากจะทราบว่าประโยชน์ของการที่เราอธิษฐานบา ร, รมีธรรมกระทําอธิษฐานบา ร, รมีคืออธิษฐานว่าจะตั้งใจในห้วงเวลาเท่านั้นเท่านีนะ้เป็นสิ่งที่จําเป็นในการฝึกปฏิบัติไหมคะโดยเฉพาะท่านที่ฝึกทำอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปเข้าคอร์สกับท่านเนี่ยค่ะคือมันจะมีกําลังใจไงคนที่ฝึกในการที่จะ ตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับเราจะมีกําลังใจขึ้นมาตรงนี้นะคือคือมันพอเราตั้งใจแล้วว่าจะทำเนี่ยพอมันมีเครื่องทดสอบนะคือจุดที่ตัดสินใจแล้วฉันจะทำเนี่ยจังหวะที่ตัดสินใจเนี่ยมันยากนะมันต้องใช้กําลังจิตมากเพราะฉะนั้นคนที่ตัดสินใจทําอย่างเงี้ยจึงเป็นคนที่จะต้องมีกําลังจิตมันจะเป็นการเสริมเพิ่มกําลังจิตของเราอย่างอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นเนี่ยท่านก็ทําเป็นตัวอย่างในการที่จะตัดสินใจทําตรงนี้ เพราะว่าเป็นคนที่มีกําลังจิตมากเป็นลักษณะของมหาสัตว์ที่สามารถทํากําลังใจตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้ค่ะซึ่งมันเป็นเรื่องของกําลังใจเนยเราฝึกให้มีกําลังใจมากขึ้นค่านทางกระบวนการเป็นประโยชน์กับการฝึกปฏิบัติให้ก้าวหน้าต่อไปพูอดนอย่นีคะเพื่อที่จะได้ให้อทุกท่านได้รู้ว่าถ้าอยากจะเก่งขึ้นก็ฝึกด้วยวิธีนี้อเอ า, เ อ, า, เ อ, าอย่างเช่นว่าเอาเวลาเราตั้งใจจะทํางานสักอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่นตอนสมัยอาตมาเรียนหนังสือจําได้3มชั่วโมงนี้ฉันจะอ่านหนังสือบทนี้ให้จบหรือว่าเขียนรายงานฉบับนี้ให้จบจะไม่ทําอย่างอื่นเลยใครมาเรียกจะไม่ไปโทรศัพท์จะไม่รับพอตั้งใจเท่านั้นเนี่ยนะบางทีนะคนมากวนโทรศัพท์มาโอ๊ยลืมปิดโทรศัพท์หรือว่าคนมาเรียกแม่เรียกนี้เราเราจะทํำยังไงตรงนี้คือการที่เราตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้มันเรียบร้อยเนี่ยอันนี้เป็นกําลังจิตที่เราต้องใช้ต้องมี ฝึกให้ได้มันจะช่วยตรงนี้แล้วฉันว่ามนุษย์นี่แปลกนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ตั้งใจปล่อยไปเรื่อยๆในบางทีทําได้สบายเลยโหนั่งได้เป็นชั่วโมงเหรอไอหมูแต่พอบอกว่าอาชั่วโมงนี้ให้อธิษฐานนะไม่ได้ทำไมไ <ป S 1> ่ได้ไป้คทางตอนนี้เป็นเป็นเพราะอะไรคะคือมันมีศัพท์คําหนึ่งที่พระบรุตรจาอธิบายตัวพระองค์เองก็เจอปัญหานี้ตอนเป็นโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยหลังจากเลิกทําทุกขกิริยาแล้ว แล้วก็มาทําความเปลี่ยนทางจิตเนี่ยก็เจออันหนึ่งก็คือเรียกว่าความกระสันอยาก<ะ>ซึ่งความกระสันอยากเนี่ยทาให้สมาธิเสื่อมความกระสันอยากเนี่ยทำให้สมาธิกําลังจิตเนี่ยมันลดน้อยลงพอกําลังจิตมันลดน้อยลงเพราะว่าความอยากมันเข้าครอบงำเนีน่ยมันก็เลยทําให้จิตไม่ตั้งมันจิตไม่ตั้งมั่นมันก็ทําอะไรไม่ได้นั่งสักครึ่งชั่วโมงก็เป๋แล้ว<ะ>เพราะว่าความกระสันอยากคือหมายถึงว่าอยากจะนั่งให้ได้ดีมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ คือคือความเพียรมันเยอะเกินไปไงคือคือความเพียรเยอะเกินกําลังของสติไอ้ <c oughs> ตรงที่เกิดมานี่จึงเป็นความอยากทําให้สติสมาธิอ่อนกําลังค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเป็นจะว่าเป็นเทคนิคก็ว่าได้ว่าต้องทําให้สติมั่นคงก่อนอ <c oughs> ใช่ไหมคะึง ใ, ใ, ให้ให้พัฒนาไปตามกําลังของสติถูกต้องถูกต้องสมาธิจะเกิดมีกําลังขึ้นมาได้ก็อาศัยสติค่ะสติมีกําลังมากขึ้นสมาธิก็มีกําลังมากขึ้นไงค่ะ เหมือนกับถ้าเรามีความรู้ในเรื่องลักษณะของฌานว่าปฐมฌานาลักษณะมีวิตกวิจารณ์ไม่คิดอกุศลถูกไหมคะใชะ่แล้วก็เสียงไม่เป็นอุปสรรคอ่างเนี่ยพอเรารู้สึกว่าเออเรารู้ทฤษฎีมาก่อนใช่ไหมคะในขณะที่นั่งสมาธิเนี่ยก็เกิดความรู้สึกสงสัยเราจะอยู่ตรงนี้เราอยากจะไปต่อทำยังไงนะคะ พอเกิดความรู้สึกอยากจะไปต่อทํำยังไงความเลยที่ให้วิโต ว, วิจารณหายไปความเลยจริงๆริงนะท่นคะบอกว่าอย่างนี้นจริงมันเป็นยังไงจริงจริงเพราะว่าในขณะที่เราปฏิบัติหลับตาเนี่ยคือคือเราพูดถึงกานทําเป็นรูปแบบนะไอเรื่อง <c oughs> ทฤษฎีเราอย่างเพิ่งไปคิดมันเพราะมันจะทําให้เราความเลยเอ้ยมันชาตหนึ่งหรืออย่างชาติสองนี่คือเราทําไปเลยคือตั้งสติให้ได้เลยพวกพวกนี้เพราะว่าถ้ายังเป็นความคิดที่เป็นคําพูดยังเป็นความคิดที่เป็น เสียงบ้างอะไรบ้างเนี่ยคือมันไม่ใช่หรอกมันมันจะเป็นฌานหนึ่งหรืออาจจะไม่ได้เลยเพราะว่าพวกนี้ถ้าฌานสูงขึ้นไปมันจะไม่มีความคิดที่เป็นคําพูดไม่มีค่ะเราะนั้นอในฐานะที่เป็นผู้มีประสบการณ์แล้วก็ได้ตรวจสอบจากพระอาจารย์แล้วว่าใช่เป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยากจะบอกผู้ที่สนใจฝ่ายปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้ด้วยเหมือนกันนะค่ะว่าเราต้องทําให้สติเราเนี่ยมั่นคงแล้วก็ ไม่มีความอยากปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆให้พัฒนาการนั้นเกิดขึ้นโดยตามธรรมชาติที่เราที่เราได้สาเหตุให้ถูกสรค่ ะ, ะนะคะจะได้ดิฉันตกใจนะคะเอ๊ะทําไมมันไม่เป็นไหนสัทีตกใจมากค่ะแล้วเหตุเนี่ยบางทีเราก็สร้างให้เร็วได้หรืออย่าทําให้มันเนิ่นช้าพระพุทธเจ้าก็เตือนว่าอย่าร้อนใจในภายหลังแต่ให้รีบๆทารีบๆทานี่ก็ไม่ใช่ว่าบังคับเอาแต่เราก็สร้างเหตุให้มันถูก การสร้างเหตุ น, นี่ก็ด่วนได้แต่มีก็ปฏิบัติหลายๆอย่างแล้วก็สร้างเอาทำเอาสร้างเหตด่วนได้แปลว่าอะไรคะท่นสร้างเหตุด่วนได้หมายถึงว่าเราก็ขยันทอเช่นว่าคุณก็รักษาชีวให้ดีฟังธรรมให้มากอย่าฟังเพลงอย่างเงี้ยนี่นคือเราสร้างเหตุให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวฉันนึกว่ามีตีตัวลดด่วนไปได้อ่าเป็นเทคนิคพิเศษนะคะก็เอาเป็นว่าวันนี้ได้ประโยชน์จากคอร์สปฏิบัติซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้ไปพบมาแล้วก็ ยังขออนุญาตตรงนี้ได้ไหมคะคือระหว่างพักการปฏิบัติช่วงเดินจงกรมเนี่ยก็ได้ขึ้นไปตรงจุดที่กำลังมีการสร้างโบสถ์ของวัดป่าดอนหายโศกอยู่<ม>ซึ่งก็ต้องถือว่าใช้เวลาสร้างมานานพอสมควรทีเดียวนะคะทีนี้พอดีฉันเดินไปได้ถึงจุดจุดหนึ่งผู้รับเหมาค่ะ<ม>ผู้หญิงเขาก็มาตะโกนว่ามาหรือยังครหินแกรนิตยังก็งงนะคะ<ม>ปรากฏว่าได้ทราบว่ายังขาดอยู่ในส่วนของหินแกรนิตที่ ถ้าทำเสร็จแล้วก็จะเติมเต็มทำให้ความสมบูรณ์ของโบสเนี่ยพร้อมที่จะใช้งานได้ในเวลาต่อมาอมก็เลยอ่าในส่วนตัวก็ได้ร่วมทำบุญไปแล้วก็อยากจะมาบอกสำหรับผู้ที่สนใจจะทำบุญในลักษณะนี้เพราะว่าพระอาจารย์นีไม่พูดแน่ๆ แ, แล้วฉันก็ขออนุญาตท่านโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าด้วยซ้ำนะคะว่าถ้าท่านใดสนใจอยากจะทาบุญ ในลักษณะนี้เติมเต็มให้กับพ้าโบสดที่เหลืออยู่แค่ในส่วนของหินแกรนิตซึ่งเพียงก็ได้ทราบว่าเงินที่เตรียมไว้เนี่ยยังขาดอยู่ประมาณอีกหกแสนบาทนะคะ okay, <bye. S 2> เดี๋ยวดิวฉันจะบอกเบอร์บัญชีค่ะ <Okay. S 2> ถ้ า, ถาท่านมีศรัทธานะคะก็แล้วแต่ตามกำลังของท่านส่งไปที่บัญชีชื่อวัดป่าดอนหายโศกวัดป่าดอนหายโศกนะคะธนาคารกรุงไทย สาขาอุดรธานีหมายเลขบัญชีค่ะ401ขีด3 286 95ขีด5อีกครั้งนะคะบัญชีวัดป่าดอนหายโศกธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขบัญชี401ขีด3 ขีดสองแปดหกเก้าห้าขีดห้าท่านพิบูณคะ่ะสำหรับถ้าเกิดเขาฟังไม่ทันเปิดเว็บไซต์ที่ wpdhs ใช่ wpdhs เนี่ย .org นี่เป็นเว็บไซต์ของวัดป่าดไนโศจะมีทั้งข้อมูลเรื่องรูปภาพเกี่ยวกับโบสที่ที่จะบริจาคได้สถานการณ์รปัจจุบันเป็นอย่างไร เราก็ยังรวมถึงหลักสูตรการลกเล่นเกมสปฏิบัติธรรมเนี่ยสมัครออนไลน์ก็ที่เว็บไซต์นี้ w p d h s o r g คือย่อมาจากวัดป่าดอนหายโศกนั่นแหละท่านจะได้จำกันง่ายๆนะคะ w p d h s ค่ะวันนี้น้มสักการขอบพระคุณท่านเพืบูบุญเป็นอย่างยิ่งนะคะนมักการค่ระแล้วก็อนุโมทนาสำหรับผู้ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญนะคะ รายการของเราพรุ่งนี้ก็จะกลับมาสนทนากันอีกทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าว FM106 รเนี่ยนะคะรายการสันสนิษสนทนาดิฉันสันสนิน้าพง์วันนี้ลาไปแต่เพียเท่านี้ค่ะพุทั่วสวัสดีค่ะ